ที่ประเทศอเมริกามันมีนิตยสารรายสัปดาห์ฉบับหนึ่งนะที่มีชื่อมากไม่ได้มีชื่อทางด้านขายดีหรือความมันเทิงนะแต่มีชื่อในด้านของคุณภาพรับแก้วนะชื่อ The New Yorker เกอนะอายุก็เกือบครบร้อยเลยนะอีกสองปีก็อายุครบร้อยปีเป็นนิตยสารที่นักเขียนต่างนี่แจ้งเกิดนะหลายคนเลยรวมทั้งนักเขียนรางวัลโนเบลนักเขียนที่ มีชื่อทางด้านสารคดีหรือเรื่องราวที่เป็นวิชาการหลายคนก็แจ้งเกิดที่นิตยสารนี่ก็เป็นนิตยสารที่คนอ่านเนี่ยเรียกว่าหลากหลายมากและส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่มีความรู้เป็นพวกที่สนใจเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะ นอกจากเรื่องวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็ยังมีบทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องราวที่เป็นความเป็นไปของบ้านเมืองหนังสือดังๆหลายเล่มที่ตอนนี้กลายเป็นคลาสสิกไปแล้วเนี่ยในหมู่นักวิชาการหรือว่าปัญญาชนทั่วโลกเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่ นิวยอร์กเกอร์เนี่ยนเขียนเป็นบทความมาลงที่ New er นิวยอร์กเกอร์นะแล้วก็ขยายมาเป็นเล่มนะอันนี้นื้อสารเนี่ยมีชื่อได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีบรรณาธิการที่เก่งมีความสามารถแล้วก็ทุ่มเทมากน่บรรณาธิการที่มีชื่อแล้วมีความสำคัญมากเนี่ยของเดอะนิวยอร์กเกอร์เนี่ยที่เราเป็นตำนานเลยนะ ก็คือวนะิลเลียมชอนเป็นบอกอรมา30กว่าปีเกือบ40ปีนะแล้วก็ทำงานได้ดีนะแต่ตอนหลังเนี่ยเจ้าของก็คงเห็นว่าชอนเนี่ยชราแล้วแล้วก็ไม่ค่อยตามยุคสมัยได้ทันเท่าไหร่ก็เลยกระซิบให้ชอนนี่ออกนะ เพราะเขามีคนใหม่ที่จะมาแทนแล้วแต่ชอนก็ไม่ยอมออกนะเพราะเขาเชื่อว่าเนี่ยเขายัางทำงานได้อยู่แล้วเขาก็รักงานนี้ด้วยแม่จะแก่แล้วเอาว้ก็คงจะม า, มาทั้ง0ิได้นะสุดท้ายเจ้าของเนี่ยก็เลยให้ออกนะแล้วก็เอาคนใหม่มาแทนคนใหม่นี่ก็เป็นบอ ก, กอที่มีชื่อนะแต่ว่ายังหนุ่มอยู่ ชื่อโรเบิร์ตก็ตเรียบนะไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่าเรียกถูกหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นนามสกุลที่แปลกนะคนนี้ก็ไม่ใช่คีเลนะเพราะว่าตอนที่เขาเป็นบอรกอรที่สำนักพิมพ์หลายแห่งในอเมริกาเนี่ยก็มีชื่อมากเรียกว่าปั้นนักเขียนดังๆทั้งนักเขียนที่ภายหลังเป็นได้รับรางวัลโนเบลแล้วก็นักเขียนที่มีผลงานนะ ที่เราเป็นคลาสสิกนี่มากมายและบ๊อบเนี่ยเขาก็เป็นคนที่พิถีพิถันมากนะต้นฉบับที่เขาอ่านนี่เรียกว่าอ่านทุกหน้าทุกประโยคที่ท่ว น, ทนละเ อ, อียดางละอแม้กระทั่งคอมม่านะีจุดฟูสต็อปนี่เขาก็ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปบางทีเฉียงกับนักเขียนนยีก็เรื่องนี้แหละคอมม่าหรือว่าเครื่องหมายรูปน้ําเนี่ย แต่ว่าเขาไม่ได้จุกจิกอย่างเดียวนะเรื่องเนื้อหาเนี่ยเขาก็ใส่ใจมากมีต้นฉบับหนังสือเล่มหนึ่งนะหนาพันหน้านะดีด้วยนะเขาซอยหรือตัดทิ้งไปเจ็ตัดทิ้งไปสองกว่าหน้าเหลือแค่700หน้านะโอ้นักเขียนนี่ไม่พอใจมากนะอุตสาเขียนต้องพันหน้านี่ถูกตัดไป200หน้าแต่ว่าพอพิมพ์แล้วนี่แจ้งเกิดเลยนะ แจ้งเกิดเลยแต่ทุกวันนี้ก็ยังเสียดายนะยังอยากจะเอาไอ้สองรอยหน้าที่ถูกหั่นไปนี้เอามาเติมใหม่เพราะตอนนี้เขากลายเป็นนักเขียนดังไปแนละ้วอันนี้ก็เรียกว่าโรเบิร์ตคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นขี้เหล่เท่าไหร่นะแต่ว่าพอมีข่าวว่าโรเบิร์ตเนี่ยจะมาเป็นบองกอคนใหม่แทนชอนเนี่ยนะกองมาเลิการ ทุกคนเลยนะของเดอะนิวยอร์เกอร์ไม่พอใจมากเพราะว่ารักชอนแล้วก็เห็นว่าชอนเนี่ยเป็นคนมีความสามารถและจุดสมัยคือว่าการเอาบอกรคนใหม่มาแทานคนเก่าเนี่ยไม่ได้ปรึกษาหาลือกองบรรทิการเลยทุกคนเลยนะยกเว็นคนเดียวนะทำจดหมายเปิดผนึกถึงโรเบิร์ตนะ ซึ่งเป็นบอกอคนใหม่เขียนว่ายัางไงเขียนว่าขอร้องหรือเรียกร้องให้ลาออกเรียกร้องให้ปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเสนอของเจ้าของที่ให้มาเป็นบอกอผู้งานคือเรียกร้องให้ปฏิเสธตําแหน่งบอกอถ้าเราเป็นโรเบิร์ตนี่ทํำยังไงนะคนแทบทุกคนเลยที่จะทํางานกับเรานี่เขาเรียกร้องให้เรา ปฏิเสธตำแหน่งนี้บอกว่าโราเบิร์ตนี่แกไม่สนใจนะแกก็ยังรับปฏิเสธข้อเรียกร้องของกองบอกก็แล้วก็มารับตําแหน่งนี้แต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่มีความโกรธลูกน้องเลยนะที่เขียนจดหมายเนี่ยเรียกร้องให้เขาเนี่ยปฏิเสธตําแหน่งเนี้ย คนธรรมดาเนี่ยเจอเจอจดหมายแบบนี้เนี่ยย่อมโกรธนะโกรธทุกคนเลยนะที่ลงชื่อในจดหมายเนี่ยเพราะว่านั่นคือการปฏิเสธตัวเขาคนเราเวลารู้สึกถูกปฏิเสธนี่มันจะโกรธนะแต่เขาไม่รู้สึกโกรธเลยเขาก็ยังทำงานนะแล้วก็ปฏิบัติกระรุมน้องทุกคนเหมือนเดิมไม่มีความโกรธไม่มีความคิดจะคิดบัญชีกับใครสักคนเลย เราก็ตัง้งนาตั้งตทํางานตัวเองพิสูจน์ฝีมือว่าฉันก็ไม่ได้ขี้เหล่นะหรือฉันก็ไม่ได้แย่ฉันก็ไม่ได้อยไปกว่าบอกอคนเก่าและสุดท้ายเขาก็พิสูจน์ฝีมือนะว่าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทํางานได้ดีไม่น้อยไปกว่าบอกอคนเก่าไอ้ที่น่าที่มาพูดเรื่องนี้เพราะน่าสนใจนะ เวลาคนเราเจอจดหมายหรือข้อเรียกร้องแบบนี้เนี่ยจากคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยว่าฉันไม่ต้องการเธอนะให้เธอปฏิเสธตำแหน่งนี้โกรธนะแต่ว่าบ๊อบนี่เขาไม่โกรธมองในแง่นื่นนะเขาก็เป็นมืออาชีพนะเป็นมืออาชีพว่าเนี่ยใครจะว่าอย่างไงฉันไม่สนใจฉันจะพิสูจน์ฝีมือให้ดู เพ ว, ว่าฉันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าบอ ก, กอคนเก่าแต่ที่จริงเขามีมุมมองอีกแบบหนึ่งนะเขามีมุมมองว่าเนี่ยในจดหมายที่ทุกคนเนี่ยเขียนมาถึงเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกลบต่อเขานะแต่เขียนเพื่อแสดงให้กับบอ ก, กอคนเก่าได้รู้ว่าใครๆก็รักเขา แล้วก็ไม่อยากให้เขาจากไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชอเนี่ยซึ่งเป็นบก ค, คนเก่าเสียใจมากนะถูกปลดออกรู้สึกขมขื่นและชอ้อนนี่ก็เป็นฮีโร่นะของคนในกองบก ค, คนในกองบกก็คงเห็นว่าเนี่ยน่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้รู้ว่าทุกคนยังรักเขาทุกคนยังชื่นชมในตัวเขา ก็เลยเขียนจดหมายนี้ขึ้นมาไม่ได้มุ่งให้โรเบิร์ตอ่านนะแต่มุ่งให้ชอนได้รับรู้ว่าลูกน้องนี้ยังรักเขาในการที่โรเบิร์ตคิดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เขาไม่เสียใจนะก็บอกเนี่ยมันดจดหมายนีเขียนเพื่อทำให้บอ ก, กรคนเก่ารู้สึกดีขึ้นนะว่าลูกน้องเนี่ยรักเขายังไม่อยากเขาจากไปการที่เขาคิดแบบนี้นมันทาให้เขาไม่ได้เสียใจไม่ได้โกรธเลย เขารู้ว่าจดหมายเนี่ยมันไม่ได้มุ่งมาที่ตัวเขานะแต่ว่ามันเป็นการส่งสัญญาณให้บอกรกคนเก่าค่อยได้รับรู้ว่าเขายังเป็นที่รักของผู้คนของลูกน้องนั่คิดแบบนี้เนี่ยเรียกว่าคิดสองชั้นนะคือรู้จักมองว่าเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยเขาไม่ได้ว่าฉันหลอกนะแต่เขาต้องการให้กาลังใจอีกคนหนึ่งมากกว่าซึ่งเป็นคนที่สาม มันคงคล้ายกับเด็กสองคนเนี่ยทะเลาะ ก, กันแล้วเด็กคนหนึ่งก็ผลักอกเด็กชายคนหนึ่งพ่อของเด็กที่ถูกผลักอกก็มามาบอกพ่อของเด็กที่ไปผลักอกเขาว่าเนี่ยว่าลูกเธอทําอย่างนี้พ่อก็เลยต่อว่าลูกชายว่าทำไมไปผลัก อ, กอกเขาจริงๆพ่อทําเนี้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้มุ่งร้ายหรือไม่ได้มุ่งจะให้เด็กฟังนะแต่ ทำนี่เพื่อให้พ่อของเด็กอีกคนนึงสบายใจว่าเออได้มีการทำอะไรบางอย่างให้กับเด็กที่ผัก อ, อกลูกของเขาแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นการทำเนี่ยเพื่อให้คนที่สามได้รับรู้มากกว่าที่จะทำให้เด็กเสียใจเด็กอาจจะคิดไม่ได้นะแต่ว่าผู้ใหญ่นี่คิดได้แล้วก็เลเบิรเนี่ยเขคิดแบบนี้แหละซึ่งถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีความทุกข์อะไรไม่มีความโกรธ ยังปฏิบัติต่อลูกน้องเหมือนเดิมนะในแง่หนึ่งก็เป็นความเป็นมืออาชีพของเขานะแต่ในแง่หนึ่งก็แสดงเห็นว่าเขารู้จักคิดนะรู้จักคิด2ชั้นคิดด้วยความพาอกเข้าใจนะก็เลยยอมนะยอมที่ถูกต่อว่าเพื่อให้ให้บอกรกคนเก่าเขาสบายใจว่าเออลูกน้องเขารักคุณนะเขาอุ่นสามาปกป้องคุณด้วยการมาเล่นงานชั้นแต่ให้จริงเนี่ยฉันไม่โกรธลูกน้องเลย ก็ทําเพื่อคุณต่างหากนะถ้นคนเราจะคิด2ชั้นแบบนี้เนะี่ยมันมันจะไม่ทุกข์ง่ายนะเพราะว่าเป็นการรู้จักคิดเผื่อไม่ใช่เอาตัวตนเข้าแบกรับหรือเข้า อ, ออกรับนะการวิพากวิจารณ์แต่คนไม่ฉลาดเนี่ยก็จะเอาตัวตนออกรับแล้วก็ทุกข์แล้วก็โกรธแล้วก็เสียใจนะบางทีก็ไปไปโกรธบอกก่อคนเก่าได้ว่าเนี่ยแกเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยต้องถูกว่าวิพากวิจารณ์ แต่ถ้าคิดสองชบบั้นแบบโรเบิร์ตเนี่ยมันไม่ทุกเลยก็ทำงานกับลูกน้องได้แล้วก็ทำงานได้ดีเลย